จเจาริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ก้าเมษายนพุทธศักราช5 5 4เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาประกอบคุณงามความดีพัฒนาจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการสังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งของจิตใจ ที่แท้จริงที่สูงสุดไม่มีสาร ะ, ะอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้อยู่ภายใต้ความเบียดเบียนบังคับของกิเลสตัณหาของความทุกข์ต่างๆได้นอกจากพระรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรักษาจิตใจให้อยู่อย่างโร่เย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีสงครามมีเหตุร้ายแรงต่างๆภัยทางธรรมชาติก็จะไม่สามารถมาขย่มมาขยาอจิตใจ ของผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้เลยนี่คือความประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นสารณะได้เป็นที่พึ่งซึ่งเรายังต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปตามลำดับต่อไปจนกว่าเราจะมีสารณะ คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราอย่างถาวรและตลอดเวลาขณะ น, นี้ใจของเรายังมีพระรัตนตรัยอยู่เป็นบางช่วงบางเวลาบางเวลาก็เผลอบางเวลาก็มีสติเวลามีสติเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพาะสตินี้เป็นองค์ประกอบสําคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้ามีสติแล้วก็จะเกิดสมาธิเกิดความหนักแน่นของจิตใจเกิดความแข็งแกร่งของจิตใจเกิดพลังเกิดกําลังใจแล้วเมื่อมีความแข็งแกร่งมีพลังมีกําลังใจ ก็จะสามารถมองสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าใจขาดสติขาดสมาธิแล้วใจจะถูกความหลงคือโมหะอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงมาหลอกใจ ให้เห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราพวกเราจึงไปคว้าหาสิ่งที่เป็นความทุกข์เพราะในโลกนี้ในสายตาของผู้ที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวลกทั้งหลายจะเห็นว่า เป็นความทุกข์เท่านั้นดังที่มีพระพุทธดารัสที่ตัดไว้ว่าในโลกนี้มีมีแต่ทุกข์ที่เกิดเท่านั้นและทุกข์ที่ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรความสุขในโลกนี้ไม่มีความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นเหมือนกับเหยื่อ ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นเองปลาที่ไม่ฉลาดก็จะคิดว่าเหยื่อนี้เป็นอาหารอันโอชะแต่พอตะคุบเหยื่อก็ไปแล้วก็เลยโดนตะขอเกี่ยวติดไว้ที่คอฉันใดความสุขต่างๆของทางโลกเช่นความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ความสุขจากรูปส<ม>ีกลิ่<ม>นรสผลภา t h <ม>ก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด<ม>พอเราไปติดลาบยศสารเสรินติดกับความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายแล้วทีนี้เราก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวเราคืออุปทานเป็นตัวตะขอที่จะเกี่ยวให้เรายึดติดกับลาบยศสารเสรินสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายพอเวลาใดที่เราสูญเสียลาบยศเสริญสุดเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปก็จะเกิดความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสบางครั้งถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปในโลกนี้นี่คือความทุกข์ที่สัตว์โลกทั้งหลายมองไม่เห็นกัน ความทุกข์ที่ผู้ที่ยังแสวงหาลาบยศสรรเสริมสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายยังมองไม่เห็นกันเพระาะขาดสาระที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะพอไม่มีพระรัตนะไตรอยู่ในใจก็จะถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจ ทำให้เห็นกับตาเราปัดไปเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเลยต้องอยู่กับความทุกข์มาโดยตลอดนานๆสักครั้งหนึ่งเวลามีสติรำลึกถึงคำสอนดำลึกถึงพระพุทธเจ้าวิถีทางที่พระองค์ทรงได้ดำเนินดำลึกถึงวิถีทางของอริยสงสาวกทั้งหลายที่ได้ดำเนินมา ก็จะมีปัญญาแล้วก็จะทําในสิ่งที่ควรทาเช่นแทนที่จะยึดจะติดก็จะปล่อยวางเช่นวันนี้ญาติโยมก็มีสติเห็นว่าเงินทองมีมากเกินไปวันนี้ก็เลยปล่อยวางเงินทองส่วนที่มันมากเกินไปยกให้คนอื่นไป เรียกว่าเป็นการปล่อยวางเป็นการปฏิบัติตามพุทธประเพณีตามสังคบประเพณีผู้ที่เลิศในการเสียสละผู้ที่เลิศในการให้ทานไม่เก็บเอาไว้เกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทุกทุกองสลาหมด ลาบถะลถเสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกขนะ์แล้วก็ออกมาหาที่สมบสมัดวิเวกเพื่อที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในใจคือการเอาชนะกิเลตตัณหา โมหะอวิชชาด้วยการพาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุบลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นจนหลับจะไม่ยอมให้เผลอสติเลยคือจะให้มีสติอยู่ควบคุมใจให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ในขณะนี้จะไม่ส่งจิตให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีให้รู้อยู่กับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้เท่านั้นถ้าควบคุมจิตอย่างนี้ได้จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เวลาทำจิตให้สงบจิตก็จะรวมลวง เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบระงับของจิตใจจากความฟุ้งซ่านต่างๆจากโลกโกรธหลงจากความอยากต่างๆพอได้เห็นความสุขอย่างนี้แล้วเพียงครั้งเดียวถึงแม้จะไม่นานนกอาจจะเป็นเพื่อเชื่กัน ขณะเดียวนกกระจอกกินน้ำแต่มันจะเป็นเหมือนกับได้ดูภาพยนตัวอย่างที่ดึงมดูจิตใจที่อยากจะดูภาพยนต์ทั้งเรื่องนี่ก็คือความสุขของพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารโลกทั้งหลายได้สัมผัสรับรู้กันได้มีไว้เป็นสมบัติ พอเราได้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่จะพยายามทำความสงบของจิตนี้ให้มียาวนานขึ้นไปเรื่อยๆจนมีอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจริญสติด้วยการตัดงานการทางโลกที่ไม่จำเป็นไปทำงานทาง เท่าที่จําเป็นพอมีเวลาว่างก็จะมาหาที่สงบสมับนั่งทําจิตใจให้สงบแล้วเมื่อจิตสงบก็ปล่อยให้สงบอยู่นานเท่าที่จะสงบพอจิตออกจากความสงบแล้ว ก็จะใช้ปัญญาและสติควบคุมจิตใจต่อไปคอยสอนจิตใจให้รู้ถึงความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายว่าเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆที่เรารู้จักก็ดี ที่ไม่รู้จักก็ดีที่มีความรักหรือไม่มีความรักก็ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะไปยึดติดกับเขาได้เราไม่ควรที่จะไปยึดติดกับเขาเพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดมีการดับ เราไม่สามารถที่จะไปควบคุม บ, บังคับบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปได้บ้างในบางเวลาเวลาที่ได้ก็ปลอดภัยจากความทุกข์ไปแต่เวลาที่ไม่ได้ก็จะเดือดร้อนอุ่นวายใจ นี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยประกบกับความคิดของเราอยู่เสมอเวลาเราคิดถึงใครแล้วเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องมีปัญญามาสอนใจมาห้ามใจว่าอยากไม่ได้ความอยากนี้เป็นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจเราเป็นห่วง ดูแลเขาได้แต่เราต้องรู้ขอบเขตความสามารถของเราและรู้ขอบเขตของชีวิตของเขาว่าเป็นอย่างไรส่วนไหนที่เราดูแลได้ช่วยเหลือได้เราก็ดูแลไปช่วยเหลือกันไปแต่ส่วนที่เราดูแลไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะมีแต่ความไม่สบายใจไม่ว่าจะกับใครก็ตามหรือกับสิ่งใดก็ตามกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเราคอยสนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจเราก็จะปล่อยวางจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะไปยุ่งกับใคร ใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะดีอยากจะชั่วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามความอยากของเขาเพราะเขาด้านหลจะเป็นต้องจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำของเขาเราไม่ได้เป็นผู้รับผลเราจะไปวุ่นวายเดือดร้อนทำไมกับสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับ ให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาได้สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ทำไมเรากลับไม่มาควบคุมบังคับก็คือใจของเรากิเลสตัณหาของเราเราควบคุมบังคับมันได้ระ ง, งับมันได้หยุดมันได้ด้วยปัญญานี้แหละด้วยการปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการหมดไปในที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะไปหักห้ามมันได้เปลี่ยนแปลงมันได้ให้รู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ใจจะปล่อยวางการปล่อยวางนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาอะไรเลยไม่ทำความดีเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ทำความดีในกรอบของความเป็นไปได้เราช่วยเหลือใครได้เราก็ช่วยเหลือไปแต่ถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างนี้เราก็จะหักห้ามกิเลสตัณหาที่จะสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราได้เราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เช่นตอนนี้เป็นกลางวันเราไปอยากให้เป็นกล่ำคืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทําให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นงัวไปประปาๆเราจึงไม่ค่อยไปอยากกับสิ่งที่เรารู้ว่าเราควบคุมบังคับไม่ได้ แต่สิ่งที่เราคิดว่าเราควบคุมบังคับได้เราก็ยังอยากอยู่ทั้งๆ ท, ที่ความจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปพอเราเผอเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเกิดเขาไม่ได้เป็นขึ้นมาตอนนั้นเราก็จะ ทุกทรมานใจอย่างยิ่งดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาเวลาทำสมาธิก็ไม่ให้ไม่ต้องเจริญปัญญาให้ทำจิตให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งเรื่องใดๆทั้งสิน้นและขณะจิตที่สงบอยู่ก็ปล่อยให้สงบไปจนกว่า จิตจะถอนออกมาจากความสงบนั่นเองในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะให้เกิดปัญญาปัญญานี้ต้องเกิดจากในขณะที่ออกจากสมาธิและไม่ได้เกิดจากการมีสมาธิการมีสมาธินี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติปัญญาจะเกิดได้ก็เกิดจากการวิเคราะห์ เกิดจากการพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเขาว่าเป็นอย่างไรเช่นเห็นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราเป็นตัวเราหรือไม่ใช่เป็นตัวเรานี่คือเรื่องของปัญญาซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้สมาธิแล้วบางท่าน คิดว่าพอได้สมาธิแล้วปัญญาจะโผล่ขึ้นมาในสมาธินั้นจะทำให้เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นมรรคผลนิพพานเห็นกิเลสตัณหาเห็นอะไรต่างๆอย่างนี้มันไม่ได้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นทางปัญญานี้จะต้องเกิดจากการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์พิจารณามอง ดูความจริงที่เรามักจะมองข้ามกันไปหรือไม่มองกันเช่นร่างกายของเราเราไม่เคยมองว่าร่างกายของเรนี้เป็นอย่างไรเลยส่วนใหญ่เราจะมองคนอื่นเสียมากกว่าแล้วก็มองแบบผิดๆคือไม่ได้มองความจริงไม่กล้ามองความจริงกลัวความจริงเช่นไม่กล้ามองว่าเขาเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้เปื่อยต้องตายเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่เคยแยกแยะดูเลยว่าร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเรานี้มันเป็นตัวเราของเราอยู่ตรงไหนลองไปแยกแยะดูลองเอาผมมา ถามตัวเองวราตัวเราอยู่ในผมหรือเปล่าตัวเราอยู่ในขนหรือเปล่าอยู่ในเล็บหรือเปล่าอยู่ในฟันหรือเปล่าอยู่ในหนังหรือเปล่าอยู่ในเนื้อหรือเปล่าอยู่ในเอ็นอยู่ในกระดูกหรือเปล่าอยู่ในหัวใจอยู่ในตับในปอดในไตในลำไส้หรือเปล่าอยู่ในเลือดอยู่ในน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหรือเปล่า สิ่งเหลนี้มันเป็นตัวเราหรือเปล่านี่คือการศึกษาเพื่อจะได้ให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงอาการสาสบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้นแล้วก็มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ถ้าเราออกจากท้องแม่มาแล้วถ้าพ่ถ้าแม่ไม่เลี้ยงอาหารไม่ให้อาหารกับเราเราจ ะ, จะเจริญโติโตขึ้นมาได้หรือเปล่าอาหารนี่แหละเป็นตัวที่มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็อาหารนี่มาจากไหนอาหารมันก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟข้าวต้องมีดินมีน้ำมีอากาศ มีลมมีไฟคือความร้อนของพระอาทิตย์ต้นข้าวถึงจะเจริญเติบโตได้ออกรวงเป็นมเมล็ดข้าวออกมาได้พอเราเอามาต้มเอามารับประทานเข้าไปในท้องมันก็เข้าไปเป็นกายไปเป็นอาการต่างๆเอาไปเสริมอาการต่างๆ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆด้วยการเอาธาตุทั้งสี่นี้เข้ามาตลอดเวลาอาหารก็มีทั้งดินน้ำมีทั้งนมที่ซ่อนอยู่ในอาหารและมีทั้งไฟนอกจากนั้นเรายังดื่มน้ำเข้าไปอีกแล้วเราก็ยังเอาลมเข้าไปผ่านทางหายใจของเราอีก แล้วเรายังเอาความร้อนจากแสงพระอาทิตย์อีกเพราะถ้าร่างกายขาดความร้อนก็จะไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเกิดวันใดพระอาทิตย์นี้ดับไปมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่สามารถหาความร้อนมาทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นได้ นี่คือเรื่องของร่างกายร่างกายนี้เป็นเป็นดินน้ำลมไฟมีการเอาเข้าเอาออกอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไปหายใจเข้ามาก็เป็นลมเย็นพอหายใจออกไปก็เป็นลมร้อนเอาความร้อนออกไปด้วยน้ำก็ดื่มเข้ามาแล้วก็ขับออกไปตามทวารต่าง ดินก็เช่นเดียวกันเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้ามาแล้วเราก็ขับมันออกไปตามทวารต่างๆและเมื่อร่างกายนี้หยุดทำงานดินน้ำลมไฟก็จะแยกกันไปคนละทิศคนละทางพอตายแล้วน้ำก็จะไหลออกมาไฟก็จะหายไปหมด ร่างกายก็จะเย็นเฉียบลมก็จะระเหอยออกมาเป็นกลิ่นที่ไม่น่าไม่น่าสูดลมส่วนที่เหลือก็เป็นดินทิ้งไว้ไม่นานก็จะกลายเป็นขี้ฝุ่นไปกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเราตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ในใจ อยู่ในผู้รู้ผู้ที่เป็นผู้มาครอบครองร่างกายอันนี้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆให้เดินให้นั่งให้ยืนให้นอนให้หายใจให้ไปทำงานให้ไปโรงเรียนให้ไปเล่นให้ไปเที่ยวสิ่งเหล่านี้ต้องมีใจเป็นผู้สั่งการ ใจนี้ก็เรียกตนเองว่าเราตัวเราแล้วก็เป็นผู้ที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราด้วยพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดความว้าวุ่นขุน ม, มัวเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมากลัวความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตาย ซึ่งทั้งที่ผู้ที่กลัวนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลยแต่เนื่องจากความหลงหลอกให้ไปคิดว่าเป็นตัวของตนคิดว่าร่างกายเป็นตัวของตนพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้พิจารณาอยู่เนือง จนเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายปัญญาก็จะมาปกป้องไม่ให้ใจนี้ไปวิตกกังวลกับการเป็นไปของร่างกายเพราะปัญญาจะบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เทียมแท้แน่นอน มีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้เพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วจะเกิดความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปนานๆแล้วพอมันไม่อยู่กับเราเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยวางเราก็อยู่กับมันไปเหมือนกับเราอยู่กับ สิ่งอื่นๆเข้าของต่างๆเราก็อยู่กับมันไปมีอะไรเราก็อยู่กับมันไปแต่เวลามันเสียเราก็ไม่ไปทุกข์ทรมานใจเช่นโทรทัศน์เราเสียเราก็ทิ้งมันไปอยากจะได้เครื่องใหม่ก็ซื้อใหม่รถยนต์มันเสียมันพังเราก็ทิ้งมันไปเราก็ซื้อใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราของเราก็เป็นของเพียงชั่วคราว ช่วงขณะที่มันยังใช้การได้อยู่พอมันเสียแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นเจ้าของมันแล้วอยากจะทิ้ ง, งมันไปเพราะเก็บไว้มันก็เกกะทันใดร่างกายเราก็เป็นเหมือนโทรทัศน์เหมือนวิทยุเหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนรถยนต์เหมือนเท่าของที่เรามีไว้ใช้การต่างๆนั่นเองเราก็ใช้ร่างกายนี้มา ทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำอยากจะไปเที่ยวก็ต้องมีร่างกายนี้อยากจะไปเรียนหนังสือก็ต้องมีร่างกายนี้อยากจะมาทำบุญก็ต้องมีร่างกายนี้ <c oughs> เพียงแต่เราควรจะรู้จักใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราให้เกิดความสุขกับใจของเราแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ร่างกายในทางที่เป็นทุกข์กับร่างกายของเรา เช่นไปหาลาบรศสารเสริมไปหาความสุขทำตาหูจมูกบบลิ้นกายนี่เป็นการใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดไปสร้างความทุกข์มาให้กับใจถ้าเราอยากจะใช้ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับใจเราก็ต้องใช้แบบที่พุทธเจ้าใช้ร่างกายของท่านใช้แบบที่พระอริยสงสาวงท์ธหลายใช้ร่างกายของท่านก็คือใช้ด้วยการ เอาร่างกายนี้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาเจริญจิตตะภาวนานั่งสมาธิเดินจงกงมพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอย่างนี้แลเป็นการสร้างความสุขให้กับใจจนเป็นปรมังสุขขงังเป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดและที่เลิศที่สุด เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายและไม่มีความทุกข์เข้ามาผสมอยู่ด้วยเลยไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราแสวงหาจากลาบยศสารเสริญสุขที่มีมีมีการที่จะต้องเสื่อมไปหมดไปแล้วก็มีความทุกข์เข้ามาตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราจงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งด้วยการใช้ร่างกายของเรานี้ในทางที่พระพุทธและพระอริยสงสารวกใช้กันใช้ในทางที่พระธรรมคำสอนสอนให้เราใช้กันก็คือทำดีละบาปชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เพียงแต่ขอให้ทำให้มากขึ้นไปกว่านี้เพราะทำอาทิตย์ละครั้งนี่ยังรู้สึกน้อยไปควรจะทำทุกวันเลยควรจะออกบวนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยสงสาวบถ้าเราต้องการผลอันเลิศถ้าเราต้องการเหรียญทองเหมือนกับไ ป, ไปแข่งขันกีฬา เราต้องการเหรียญทองเราไม่ต้องการเหรียญเงินไม่ต้องการเหรียญทองแดงการที่เราจะได้เหรียญทองเราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราเวลาเวลาที่เรามีทั้งหมดให้อยู่กับการฝึกซ้อมกีฬาที่เราจะไปแข่งขันด้วยฉนันใดถ้าเราต้องการความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสากมีกัน เราก็ต้องปฏิบัติตามท่านถ้าเราไม่ปฏิบัติตามท่านแล้วยากที่เราจะได้ผลอย่างที่เราปรารถนากันจึงขอให้เราจงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นแบบฉบับเป็นเป็นเป็นที่พึ่งเป็นเป็นผู้นาทางของเรารับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุข ที่เป็นปรมังสุขขังภายในอนาคตนี้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการสร้างสรรณะคือ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งแก่ใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป